เรื่องเจ้าหลงหมาไม่มีหมู่โดยคุณหลวงตื่นตากับงานวัดเจ้าหลงเป็นหมาพันไทยมีสีดำแซมขาวเล็กน้อยรูปร่างสันทัดหน้าตาเป็นหมามีคุณธรรมไม่ก้าวร้าวดุ ด, ดันกัดไม่เลือก เดิมชื่ออะไรไม่มีใครรู้มีเหตุให้มันพัดหลงมาอยู่ในวัดป่าบ้านตาดคงจะด้วยอนิสง์ผลบุญของมันมันจึงได้มาอยู่ใกล้กับหลวงตาสมกับที่มันเป็นหมาฝ่ายดีในวันทอดกรถินประจําปีที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อปีที่แล้วพระจากวัดต่างๆที่อยู่ในสายทานของหลวงตาได้หลั่งไหลกันเข้ามากราบท่านและอนุโมทนางานกระถินเจ้าหลงก็ได้ติดตามมากับพระที่มาร่วมงานโดยมีเศษผ้าสบงสีกรัก ผูกคอคลายผ้าผูกคอพันธมิตรในงานเนืองแน่นไปด้วยพระเนรและผู้คนมีโรงทานตั้งอยู่เต็มลานวัดรถราแน่นขนาดเจ้าหลวงตื่นตาตื่นใจไปกับความคับข้างหนาแน่นของสารพัดสิ่งในวัดมันไม่เคยพบเคยเห็นทั้งคนทั้งรถมากมายเช่นนี้มันคงจะเป็นหมาที่อยู่แต่ในวัดกรรมฐานที่สงบเงียบมีเจ้านายเป็นพระสงฆ์ที่สันโดษเหมือนพระทั่วไปในสายพระป่าด้วยความชุลมุน เจ้าหลงจึงพลัดกับพระที่พามันมาเมื่อหากันไม่พบพอถึงเวลาพระท่านก็ต้องเดินทางกลับวัดเจ้าหลงก็จึงถูกทิ้งไว้ข้างหลังชูชกมาเกิดโรงทานกว่าหนึ่งร้อร้านที่มาร่วมในงานกระถินกระจายกันอยู่เต็มลานวัดทั่วทุกมุมมีจุดประสงค์สำคัญที่สุดคือการทำงานถวายหลวงตาด้วยความกรบศรัทธา ด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์พวกเขามีองค์ท่านอยู่ในหัวใจตลอดมาโรงทานแต่ละโรงมีค่าใช้ใจ่ายประมาณโรงละสอง0 0ื่บาทเป็นการสละทรัพย์เพื่อจัดหาสารพัดอาหารเลิศรสมาประชันขันแข่งกันบริการแก่ผู้มาร่วมงานอย่างเต็มฝีมือและเต็มใจเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ผู้คนทั่วทั้งจังหวัดผู้ที่มาร่วมงานต่างก็ฉลองศรัทธากันอย่างเต็มที่จะเร่เข้าไปตามแต่ละโรงทานเพื่อชิมอาหารที่รสเลิศ ไม่แพ้ร้านอาหารชั้นนำทั่วไปเพียงแค่เข้าแถวรอรับแจกก็ได้รับประทานอาหารที่ใส่ในกล่องโฟมปริมาณเหลือกินยังเต็มอิ่ม อ, อร็จอร่อยขณะอาหารยังคาปากอยู่สายตาก็สอดสายไปทั่วๆเพื่อมองหาร้านอื่นๆที่อยู่รายรอบตัวนับเป็นความสิ้นเปลืองสูญเสียอย่างที่สุดคนและสุนักเป็นพบภูมิที่อยู่ในมิติเดียวกัน จึงมีลักษณะนิสัยไม่ต่างกันนักคนที่ไม่เคยสัมผัสแสงสีเสียงสิ่งเย้ายวนมาก่อนย่อมจะเป็นเหยื่อและหลงผิดเกิดกิเลสตัณหาราคะได้โดยง่ายฉันใดเจ้าหลงมาพลัดถิ่นของเราก็เชกเดียวกันฉันนั้นทันทีที่รถจอดที่ลานจอดรถมันก็ลงจากรถพร้อมกับนายของมันความแปลกใหม่ความโกลาหลรอบตัวทำให้มันตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจไปกับประสบการณ์ใหม่ที่มันไม่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิตจมูกของมันปะทะเข้ากับกลิ่นสารพัดรอบตัวตามประษาสุนัขซึ่งมีประสาทสัมผัสรับกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์กลิ่นเหล่านี้แปลกไปจากกลิ่นที่คุ้นเคยเป็นกลิ่นที่ช่างอบอวนหอมยวนจมูกเลิศเกินท้องไซจะหลงปั่นป่วนไปด้วยความหิวมันจึงไม่ใส่ใจกับสถานที่ที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนมันออกตามกลิ่นไปตามที่กระเพาะของมันเรียกร้อง เจ้าหลงแวะตามโรงทานต่างๆรอรับเศษอาหารที่เหลือเฟือกินทิ้งกินคว่างจากผู้คนมันกินอย่าไม่กลัวท้องแตกตายจนสมใจอยากมันวิ่งไปมารอบลานวัดตามกลิ่นอาหารที่แสนเย้ายวนมันวิ่งไกลออกไปออกไปโดดเดี่ยวอยู่ในโลกกว้างพองานกระถิ่นเลิก ผู้คนและรถราต่างพากันทยอยออกจากวัดไปลานจอดรถที่เคยแน่นขนาดก็ค่อยๆโล่งทีละน้อยเจ้าหลงแปลกใจไปกับความเงียบสงบที่ค่อยๆคือคลานเข้ามาความอึกระทึกหมดไปเจ้าหลงเพียรวิ่งวนหารถที่มันอาศัยมาวิ่งหาพระผู้เป็นเจ้าของมันแต่สุดท้ายมันก็เจอแต่ลานจอดรถที่ว่างเปล่ามันวิ่งวนลนลานรอบลานกลิ่นที่คุ้นเคยจางหายไปกับสายลม เจ้าหลงหาทางไปไม่ได้มันหมดเรียวแรงมองไปทางไหนก็ไม่มีร่องรอยของรถและเจ้านายของมันใจของมันที่เคยกระเจิงหลงระเริงไปกับกลิ่นรถของอาหารย้อนกลับเข้าสู่ตัวใจที่เคยพองโตขับอกก็หดฝ่อเดือเพียงแค่ขนาดหัวใจไก่ตาที่เคยเป็นประกายด้วยความเข้มแข็งกลับอ่อนโรยลงฉายแววเศร้าหัวที่เคยเชิดหางที่เคยชูกลับตกลู่ลง อาการหวาดกลัวคลึบครานเข้ามามันกลายเป็นหมาหมดสภาพไม่มีศักดิ์ศรีได้แต่ลนลานมองหาที่พึ่งเจ้าหลวงที่มีเศษผ้าสบงผูกคอมุ่งเดินเข้าประตูวัดที่มันเห็นพระพิสุกเดินเข้าออกตามความคุ้นชินตลอดชีวิตของมันด้วยมโนสานึกที่เคยอยู่กับพระมันเดินตามพระไปตามถนนลาดยางมุ่งสู่ศาลาใหญ่ภายในวัด เจ้าหลงรู้ตัวดีว่านี่เป็นที่ใหม่กลิ่นสุนัขอื่นๆที่เป็นเจ้าถิ่นอบอวนไปทั่วหางที่เคยชูกลับตกปิดก้นตามประษาหมาที่ยอมสยบ ก, กับอัวน้าฝูงใหม่หูลู่หัวตกเดินอย่างสำรวมตามองหาหมู่เพื่อนหมาเพื่อขอที่พักพิงด้วยความอ้างว้างหมดที่พึ่งหมู่สุนัขที่อยู่ในวัดนั้นหน้าตามไม่เหมือนและไม่เป็นที่คุ้นเคยของเจ้าหลงเลยสักตัวเดียว ไม่รู้ว่าเป็นหมามาจากที่ใดพวกมันหน้าตายพิลึกพิลั่นหน้าแบนราบจนเหมือนถูกไม้ตีหน้าตั้งแต่พวกมันยังตัวเล็กๆจนหน้าย่นแฟบจมูกกับหน้าเสมอกันหางขดเป็นก้อนจะว่าเป็นหมาซูโม่ก็ไม่ใช่เป็นหมาภูเขาก็ไม่เชิงดูลักษณะเป็นหมาพิการหน้ายน่นจมูกทู่ตาโปนขาสั้นเหมือนหมาไม่สมประกอบพวกมันน่าจะเป็นหมาฝรั่งฉะนั้นจึงน่าจะพูดคนละภาษากับเจ้าหลง คงจะพูดจากันไม่รู้เรื่องที่ในวัดเจ้าหลวงไม่ได้รับการต้อนรับดังใจหวังมันถูกหมูหมาและผู้คนที่ทำหน้าที่ต่างๆภายในวัดรุมกันขับไล่มันออกไปเจ้าหลวงต้องกระเจิงโขยสีตีนออกมานอกกำแพงคอนกรีตของวัดเข้ามาทางไหนก็ต้องออกไปทางนั้นมันหมดที่พึ่งพิงหัวใจแตกสลาย หากเป็นคนก็คงร้องไห้ด้วยความขมขื่นแต่เจ้าหลงเป็นหมาหมาที่มีความเสียใจจนสุดกลั้นและแต่เดินส่งสารวนเวียนอยู่ที่รอบกำแพงวัดเพื่อหาที่พึ่งพิงเดชบุญคงจะด้วยกรรมที่มันทำมาแต่อดีตชาติจึงทำให้มันได้พบกับพระผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตาจิตพระผู้ห่มจีวรสีกระดกคุ้นตาคุ้นใจเหมือนนายเก่าที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กมันจึงเข้าปีฝากเนื้อฝากตัวกับท่าน ชีวิตใหม่นอกกำแพงวัดป่าบ้านตาดพระอาจารย์ท่านหนึ่งเฝ้าดูหมาหลงถิ่นด้วยความสงสารท่านเห็นแววว่ามันเป็นหมาที่ฉลาดซื่อสัตย์และสดใสมีลักษณะของหมาดีท่านจึงดูแลให้ข้าวให้น้ำมันด้วยความเมตตามันจึงมีชีวิตอยู่ด้วยข้าวปลาอาหารที่เหลือจากบินธบาตและได้ชื่อใหม่จากท่านว่าเจ้าหลง ตามประวัติชีวิตของมันเจ้าหลงเจียมตัวว่าเป็นหมาที่ไม่มีหมูไม่มีพวกหาเพื่อนหมาไม่ได้เลยมันจึงอยู่ของมันตามลำพังอย่างสงบมันเป็นหมาที่สงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยดำรงตัวเป็นหมานอกกาแพงวัดพอกินพออยู่ตามประสาวศาสนาน้อยไม่ทำตัวเทียบเทียมกับหมาในกาแพงวัดเจ้าหลงได้แสดงทาาแท้ของมันที่เป็นหมามีคุณธรรมคงเป็นด้วยสัญญาที่มีมาแต่พบอดีต มันจึงฝกักใปอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระอริยสงฆ์แม้มันอยู่นอกกำแพงวัดมันก็ฝากตัวฝากใจกับพระทุกองค์ในวัดหากมันเหมาะกราบแบบพวกเราได้มันก็คงทำไปแล้วมันให้ความเคารพพระอาจารย์ผู้ชุบชีวิตมันมันนอนเฝ้าอยู่ที่หัวบันไดบนกุฏิของท่านทันทีที่ท่านก้าวลงจากกุฏิเจ้าหลงก็กระโดดลงจากหัวบันไดาตามติดท่านไปในฐานะเป็นบอดิกาต เจ้าหลงถือเป็นหน้าที่ประจำของตัวที่จะต้องเดินส่งพระออกไปรับบาทมีพระหลายองค์ที่จำวัดที่กุติข้างนอกเจ้าหลงจึงรับหน้าที่เดินไปรับพระเหล่านั้นทีละองค์และเดินนำหน้าท่านเพื่อส่งท่านออกไปบิณฑบาต ท, ทุกเช้าพอแน่ใจว่าพระออกไปครบทุกองค์แล้วมันจึงกลับไปรับพระผู้ว่าสันติซึ่งเป็นพระอวุโสเป็นองค์สุดท้ายมันทาอย่างนี้เป็นประจาทุกวัน จนเป็นที่คุ้นเคยของคนทั่วไปสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนอกจากความจงรักภักดีของเจ้าหลงที่มีต่อพระในวัดแล้วมันยังเป็นหมาที่แตกต่างจากหมาอื่นๆในวัดมันมีใจอบอ้อมอารีต่อหมู่เพื่อนหมา เข้าใจว่านายเดิมของมันคงจะสอนมาดีด้วยอีกทั้งมันเป็นหมาที่ฉลาดเวลาใครขอมือมันนั่งลงอย่างสง่า่าเผยยกเท้าหน้าขึ้นซ้ายหรือขวาตามแต่จะถูกสั่งพร้อมกับส่งสายตาอ่อนโยนเป็นมิตรให้ฉะนั้นมันจึงผูกใจผู้คนได้หมดแขกไปใครมาจึงมักมีของฝากติดม้ติดมือไปให้มันพี่กรมมักมีของอร่อยๆไปฝากมันด้วยเช่นไก่ ย, ย่างหอมๆจากเขาสวนกวาง ที่คณะแวะเข้าไปในมื้ออาหารกลางวันเมื่อเสร็จภารกิจสำคัญคือการกราบคาระวะหลวงตาแล้วพี่กรมก็เป็นธุระแบ่งอาหารให้หมาแต่ละตัวเป็นส่วนเฉพาะตัวหากไม่ทาเช่นนั้นแล้วเจ้าหลงเป็นต้องปล่อยให้หมาตัวเล็กตัวน้อยรวมทั้งหมาที่อยู่ในบริเวณนั้นเข้ามากินก่อนโดยไม่เคยแสดงอาการห่วงกินแล้วมันจึงกินส่วนที่เหลืออยู่ในวัดป่าบ้านตาและสวนแสงธรรม มีสุนัขอยู่หลายรุ่นมีพระคอยดูแลเป็นอย่างดีรวมทั้งคอยหุงหาอาหารให้มันทุกวันหมาแต่ละรุ่นก็มีพระเอกประจำรุ่นเจ้าอ้วนเป็นพระเอกรุ่นมา20กว่าปีที่แล้วมันเป็นัวหน้าในฝูงหมาประมาณ 6-7 ตัวซึ่งล้วนเป็นหมาพันขนฟูสวยงามตัวเจ้าอ้วนเองเป็นหมาจูพันใหญ่สีขาวนวลทุกตัวล้วนฉลาดรู้ความสารพัดทุกครั้งที่หลวงตาให้พร เจ้าอ้วนจะเป็นตัวนําต้นเสียงหอนตอบรับพรจากท่านสุนัข ท, ที่เล่นกับหลวงตาเป็นประจําก็มีอยู่หลายตัวในแต่ละรุ่นมีบางตัวอาจพลั้งเผลอหรือขนองจนทําอันตรายแก่ท่านก่อเป็นกรรมหนักที่มันแต่ละตัวต้องแบกรับแม้ว่าหลวงตาท่านไม่เคยถือโทษเจ้า ง, งับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในนั้นมันเป็นหมาพันธุ์บางแก้วที่ลูกศิษย์นำมาถวายให้พระในวัดมันได้ชื่อนี้จากหลวงตาหลังจากที่มันงับแขนของท่าน จนถลอกด้วยความพลั้งเผลอในขณะท่านหยอกล้อมันท่านไม่ได้ถือโทษกลับให้ชื่อมันใหม่ว่าเจ้างับแต่แล้วในเจ็ดวันต่อมาขณะที่มันวิ่งออกไปนอกสวนแสงธรรมมันก็ถูกรถทับตายแม้หลวงตาท่านให้อภัยที่มันเล่นกับท่านแรงเกินไปและมันเองก็ไม่ได้มีเจตนาแต่กรรมก็มาถึงมันทันตาเห็น มีเจ้าแบล็กอีกตัวหนึ่งที่เล่นกับหลวงตามันเป็นหมาพันไทยสีดำขณะเล่นกับท่านด้วยความเพลิดเพลินเกิดงับมือของท่านเข้าจนเลือดไหลซิบซิบมันรู้ตัวและสำนึกผิดยิ่งนักนับแต่เกิดเหตุเจ้าแบล็กก็ทำโทษตัวเองไม่ยอมกินข้าวกินน้ำอีกเลยเจ็ดวันผ่านไปมันก็หมดแรงล้มลงตายที่หน้าวัด ผู้คนพากันสงสัยว่าทำไมเจ้างับและเจ้าแบล็กจึงต้องตายเช่นนี้ทั้งๆ ท, ที่หลวงตาไม่ได้ถือโทษเลยท่านผู้รู้ให้ความเห็นว่าคงเป็นบรรดาทวยเทพเทวดาที่คุ้มครององค์หลวงตาที่ไม่ยอมให้อภัยหรือจะเป็นเพราะว่าเจ้างับได้สำนึกผิดเดินใจรอยให้รถทับตายส่วนเจ้าแบล็กก็ตรอมใจในบาปกรรมที่ตัวก่อขึ้นจนตายไปในที่สุด นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงกรรมและผลของกรรมที่ทำให้พระอริยสงฆ์ต้องได้รับบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยและแม้ด้วยความไม่ได้ตั้งใจก็ยังมีอันเป็นไปไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วกับคนบางหมู่บางเหล่าในสังคมไทยของเราเล่าหมู่คนเหล่านั้นที่ได้กล่าวจ้วงจาบกล่าวหาองคหลวงตาทั้งทางตรงและทางอ้อมในลหลายๆกรณีเพื่อให้ผู้คนหลงผิดหลงเชื่อไปตามคากล่าวร้าย นั้นทำให้ท่านได้รับความเสียหายจากความมุ่งร้ายดังกล่าวเขาเหล่านั้นต่างกำลังเสวยผลแห่งกรรมของแต่และตัวบุคคลอยู่ตามที่เราได้เห็นทันตาก็คือบางคนได้รับแรงกรรมถึงขนาดไม่มีแผ่นดินจะอยู่และส่วนมากก็เสวยผลกรรมให้มีอันเป็นไปต่างๆบางคนก็ถึงกับหมดเนื้อหมดตัวและแน่นอนว่ากรรมย่อมให้ผลแก่ทุกบุคคลโดยท่วนทัว ท่านมีความเมตตาต่อสัพพสัตว์เป็นอย่างยิ่งท่านเลี้ยงดูฟูมฟักสุนัขในวัดเป็นอย่างดียามที่พวกมันมีอันจากไปท่านก็ให้ฝังร่างของแต่ละตัวไว้ที่รอบกุฏิของท่านเมื่อสุนัขแต่ละรุ่นลดจำนวนลงจนเหลือน้อยท่านก็ไม่อยากเลี้ยงอีกต่อไปแต่ก็อดไม่ได้เพราะความสงสารท่านจึงรับเลี้ยงพวกมันมาโดยตลอดจนถึงรุ่นปัจจุบันด้วยความเมตตาหลุมตาสอลูกศิษย์เสมอว่า สัตว์นั้นชีวิตเขาก็หนึ่งชีวิตเราก็หนึ่งชีวิตเหมือนเขาหมาเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับพบภูมมนุษย์ฉะนั้นจงอย่าได้ประมาทให้เร่งทําความดีเร่งสร้างบุญกุศลไว้ให้มากเพราะพบภูมมนุษย์เป็นพบภูมิเดียวที่สามารถปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้หลุดพ้นได้จงดีใจเถิดว่าเราโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสเร่งทําความดี สั่งสมบุญบารมีไว้เป็นสเสบียงในภพภูมิต่อไปแล้วเราคงจะได้พบกันอีกครับบทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโฉ